หรือถ้าหากว่าจิตยังไม่หยุดภาวนาเราจะหยุดแล้วกำหนดรู้ที่จิตอย่างเดียวก็ได้ในขั้นนี้ข้อสองเมื่อเมโอปปาติกะอาจารย์ที่สอนกรรมฐานที่ล่วงรับไปแล้วมาเยี่ยมโดยเห็นในสมาธิและสัมผัส ร, รับรู้ได้กับได้กลิ่นหอมตลอดเวลาที่ทำสมาธิการที่จะ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 จิตสงบสว่างลงไปแล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมาถ้าท่านยึดอยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้ร่วงรับไปแล้วพอจิตสงบลงเป็นสมาธิระหว่างอุปจารสมาธิสว่างขึ้นมากระแสจิตสง่งออกไปข้างนอกจิตยึดมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏเป็นตัวขึ้นมาให้ท่านเห็นเพิ่งทำความเข้าใจว่านิมิตทั้งหลายแหล่ที่ปรากฏนั้น มันเป็นเพียงมโนภาพที่จิตของท่านสร้างขึ้นมาเองอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งอื่นหลวงพ่อนีนั่งภาวนาจนมองเห็นกายของตัวเองนิ่แหลกเป็นผงไปแล้วลืมตาขึ้นมากายก็ยังอยู่ถ้ามันเป็นจริงแล้วก็ทำไมถึงจะมานั่งเทศน์ให้โยมฟังอยู่ได้อันนี้คือข้อเทศจริงเราอย่าไปหลงว่าเป็นสิ่งอื่นมา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 ท่านอาจารย์ของอัตมานี่ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ทองอโศโ ก, โก้ายังมีชีวิตยอยู่เวลานี้ก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบท่านหลวงพ่อเทศท่านอาจารย์เทศท่านพูกนี้ไปนั่งภาวนาอยู่ในกติเล็กๆในสำนักอาจารย์มั่นเวลาเข้าไปก็ปิดประตูลงกรอนอย่างดีพอภาวานาแล้วก็พอจิตสงบนิ่งสว่างลงไป แล้วก็มีสาวๆคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มาพูดจารงพี่มาทนทุกข์ทรมานทำไมศึกไปอยู่ด้วยกันจะมีความสุขในตอนนี้ท่านมีสติอยู่ท่านก็กำหนดว่าดูจิตที่เฉยอยู่เสียงเนี่มันก็ดังออดอดอดอยู่อย่างนั้นไม่หยุดลองผลสุดท้ายนั่งผู้หญิงในนิมิตในฝันนั้นก็บอกว่าอืม มาพูดจาด้วยก็ไม่อยากพูดไม่พูดก็อยากพูดเสร็จแล้วมันก็ลุกปลุกปักไปท่านอาจารย์ทองมองเห็นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเดินออกประตูไปเดินด่อมด้อมอ ม, อ, ม, อ, มออกประตูไปจนรับสายตาพอมันรับสายตาไปแล้วสมาธิแตกพูดกับเขาสักกดีเนาะทีนี้ทั้งทั้งที่พอเรกว่า พ, พูดกับเขาสักก็ดี เลยลรกปรับออกจากที่นั่งสมาธิพอไปถึงประตูทั้งทั้งที่ตัวเองนี่แหละเมื่อนั่งอยู่ในสมาธินี่เห็นผู้หญิงเนี่เดินลอดประตูออกไปแต่เมื่อตัวไปถึงแล้วต้องถอดกรอนเปิดประตูออกเองยังไม่ได้สติเว่งลงไปวนรอบหาอยู่รอบๆกฏิสองมุมน้นสองมุมน้นมมนนมมนนท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่กติท่านตะโกรธร้องมาทองเอ้ยบัวหายเห็นแล้วหรือยัง ไ, ได้สติขึ้นมา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 ถ้าเคยภาวนาเห็นทุกเห็นทุกรอบกายในสมาธิและเคยเกิดภาวะตัวเบาและจิตดิ่งลงไปตลอดเวลาได้ปฏิบัติโดยการวางอุเบกขาภาวนาพุทธโธตลอดเวลาเป็นการถูกต้องไหมการอันนี้หมายถึงการบริกรรมภาวนาพุทธโธ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 เมื่อปี2551มีเจ้าศรัทธามอบที่ดินแห่งหนึ่งให้ผีดที่ดินตรงนั้นเป็นที่ผีสิงแล้วก็จะมาพาพระเนนไปอยู่นั่นสีห้าองค์พออยู่ได้สามวันแล้วก็เกิดผีมาตบหน้าก่อนที่มันจะมาตบหน้านั่นหลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ถึงเวลาจะจำวัดพอมีอาการเคลิบเคลิบลงไป มองเห็นเป็นกลุ่มวิ่งมาจากทางตะวันตกแล้วก็มาสัมผัสกับใบหน้าเหมือนกับฝ่ามือตกที่นี้มันเรียกว่าเอฝันหรือไงถ้าฝันทำไมเจ็บ<ม>ก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเอ้าจะพีตบหรือไม่ตกก็ช่างหรอวันนี้ต้องดูให้มันรู้เรื่องกันวันนั้นเลยตัดสินใจไม่ไม่จำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดคืนพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่ง ได้ยินเสียงตกตูม้มลงมาเดินไปดูไม่มีอะไรโยยางงั้นจนกระทั่งถึถงตีสามพอถึงตีสามแล้วไปเข้าที่นั่งสมาธิมองไปข้างหน้ามองเห็นแสงโตปะเลอ่อขนาดตะเกียงเจ้าพายุสองแสงวิ่งวนไล่ไล่ไล่กันอยู่ในตรงๆนั้นมีพระองค์หนึ่งไปจำวัดอยู่นั่น พอตมานึกว่าเอ๊ะพระองค์นี้จะตื่นหรือเปล่านอพอได้เห็นอะไรพอเป็นขวัญตาพอนึกแค่นั่นแหละแสงสองแสงพระจากพระองค์นั้นวิ่งมาหาตบมาต่อมาก็กำหนดจิตเอา้าท่นแน่จริงแล้วก็มาชนฉันให้ตายทีเดียวให้ฉันสำเร็จปฏิพัธ์เข้ามาระยะหา่างห้าวาแสงนั้นตกลงกับดินแล้วก็หายมิดเงียบไปก็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 เมื่อจิตไม่อยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็พยายามนึกคำบริกรรมภาวนาให้มากๆเขาใช้ความภาคเพียรพยายามถ้าหากว่าการนึกบริกรรมภาวนานี้ไม่ได้ผลก็ให้มาเพ่งดูกายของเราผมขนเล็บปันหนังเลือดเอ็นกระดูกตามหลักแห่งกายยคตาสติหรือหลักมหาสติปัฏฐานถ้าอยู่ปัจจุบันนี้จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระาธาตุจริงหรือพระาธาตุปลอม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 แล้วเราสักการะบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญสำคัญอยู่ความจริงอยู่ในจิตของเราเนี่ว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เที่ยกลาว่าคนหมดกรรมแล้วหมายความว่าอย่างไรกรรมนี่หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมดกรรมแล้วคำ ว, ว่าหมดกรรมแล้วนี่หมายความว่า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 ือขั้นมากผลถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมถ้าพูดถึงว่าสามัญสำนึกโดยธรรมดาพระพุทธเจ้าทําผิดแต่ถ้าแต่เพราะวิสัยพระสัพพันญุท่านย่อมรู้ท่านรู้ว่าการที่สะละราชบัลลังก์หรือสละสมบัติ สละพระพิมพาสละลาหุนออกไปบวชไปบวชแล้วจะได้บรรลุคุณธรรมพิเศษแล้วเมื่อบรรลุแล้วถึงแม้ว่าเบื้องหลังคือพระพิมพาหรือลาหุนจะทนทุกทรมานก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงตายแต่เมื่อพระองค์สาเร็จแล้วพระองค์กลับมาโปรดท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้บรรลุ ถ, ถึงความสุขคือมรรคผลนิพพานท่านมองเห็นผลอย่างนี้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 อันนี้ก็หมายถึงว่าความสาเร็จก็คือหมายถึงให้สำเร็จสิ่งที่ที่เราหวังสิ่งที่ดีที่เราหวังแต่ตั้งใจไว้เช่นเราหวังจะให้สำเร็จมรรคผลหรือให้รู้ข้อแท้จริงของธรรมะต่างๆในเมื่อเราพิจารณารู้แล้วก็เกิดรู้ขึ้นที่จิตเช่นอย่างสมมติว่าปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรในเมื่อเราทำสมาธิเป็นแล้วเรารู้ทันทีว่าสมาธิคือสิ่งนี้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 ตามตำร า, าท่านก็ท่านก็กล่าวว่าสวรรค์มีหกชั้นนรกมีอยู่ถึงแปดขุมแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนนรกก็อยู่ที่นี่สวรรค์ก็อยู่ที่นี่ในเมื่อผู้ตายไปแล้วเป็นโอปปาติกะในเมื่อเกิดผุดขึ้นเป็นตนเป็นตัวมีบาปกรรมที่จะต้องตกนรกนรกผุดขึ้นมารองรับในขณะนั้นผู้ที่ทําบุญแล้วจะได้สวรรค์ เกิดเป็นโอปะปาติกาเป็นเทวดาถ้าจะมีวิมานอยู่วิมานก็ผุดขึ้นมารองรับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยตาว่ามันเป็นกิ่งไม้แต่เทวดาไปเกาะอยู่ด้านในความรู้สึกของเขานั้นเหมือนว่าเขาได้อยู่ในวิมานสูงตั้ง1ิโยออันนี้มันเป็นกรรมมณิมิตตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับปุญกรรมหรือไม่ อันนี้เกี่ยวกับบุญกรรมมันมีเหตุผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์มีอายุยืนคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอายุสั้นอันนี้ท่านว่าไว้ในประสูทธ์ศีลห้าหรือศีลอื่ น, นๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิมากน้อยอย่างไรหรือไม่ ศีลห้าหรือศีลอื่นๆมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติสมาธิอย่างมากทีเดียวทีนี้คนที่มีภูมิศีลห้านี่จะสามารถปฏิบัติสมาธิให้สําเร็จมรรคผลนิพพานได้ไหมนี่คือข้อที่ควรสงสัยพระเจ้าสุทโทธทนะมีศีลห้านางวิสาขาก็มีศีลห้าแล้วปฏิบัติก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระนางวิสาขาบรรลุ เอกระโสดาบันตั้งแต่อายุเจดขวบยังไม่ได้สมาทานศีลเลยเนี่พระเจ้าสุโทโธทนะฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงก็ได้สําเร็จพระอหรหันต์อยู่ในภูมิแห่งศีลห้าเพราะฉะนั้นศีลห้านี่ก็เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิสติปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่อยู่ในฆราวาสนี่ปฏิบัติสมาธิสะดวกกว่าผู้บวชผู้บวชนี่มีศีลหลายตัวผลุญพลังไม่ทราบว่าจะสํารวมอันใดบ้าง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 ยังเปลี่ยนมากำหนดพุดโธ ร, รู้สึกว่าเบาสบายจะผิดไหมที่ไม่ได้ลาออกจากการพื้นฐานอันนี้ไม่ผิดการปฏิบัติเพื่อมีพวทกล่าวว่าการนั่งสมาธิแบบแบบลื่มตาทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรและดีกว่านั่งสมาธิแบบหลับตาหรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของใคร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 ขอสนับสนุนแต่ปัญหาสําคัญว่าผู้ปฏิบัติแล้วอย่าเอาความดีที่เราปฏิบัติไปเที่ยวกลมกู่คนอื่นการปฏิบัติอันใดปฏิบัติแล้วถือว่าข้อวัดปฏิบัติของตนนั่นดีวิเศษแล้วไปเที่ยวกลมกู่คนอื่นนั้นมันกลายเป็นบาปาะการตําหนิดนันเป็นมันเป็นวาจาบาปเป็นฉายาแห่งหมุสาวาดไม่ควรทํา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 ในเมื่อเจสงบนิ่งว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะปรากฏขึ้นมาเองเราข อ, อยุติการตอบปัญหาไว้เพียงแค่นี้